ธรรมบทแปลเรื่องที่196เรื่องพระเอกุทานเถระข้อความเบื้องต้นพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารพระขีณาศพชื่อว่าเอกุทานเถระตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าณนะตาวตาธรรมทธโรเป็นต้นตอน พวกเทวดาให้สาธุการแก่เทศนาของพระเถระได้ยินว่าพระเถระนั้นอยู่ในราวพลยแห่งหนึ่งแต่องค์เดียวอุทานที่ท่านช่ำชองมีอุทานเดียวเท่านั้นว่าอธิเจตะโซอัปปัจจโตมุนิโนโมนัปเทสุสิกขโตโซการณพวันติตาดิโน อุปสรรตสะสดาสติมโตความโกทั้งหลายย่มไม่มีแก่บุคคลผู้มีจิตมั่นคงไม่ประมาทเป็นมุนีศึกษาในทางแห่งโมนะปฏิบัติผู้คงที่ระงับแล้วมีสติทุกเมื่อได้ยินว่าในวันอุโบสถท่านเป่าร้องการฟังธรรมเองย่อมกล่าวคาถานี้ เสียงเทวดาสาธุการดุจว่าเสียงแผ่นดินสุดครั้นวันอุโบสถวันหนึ่งภิกษุผู้ทรงพระไตรปิฎกสองรูปมีบริวารรูปละห้ารได้ไปสู่ที่อยู่ของท่านท่านพอเห็นภิกษุเหล่านั้นก็ชื่นใจกล่าวว่าท่านทั้งหลายมาในที่นี้เป็นอันทำความดีแล้ววันนี้พวกกระผมจะฟังธรรมในสํานักของท่านทั้งหลาย พวกภิกษุท่านผู้มีอายุก็คนฟังธรรมในที่นี้ม่อยู่หรือพระเอกุทานะมีขอรับกราไพรนี้มีความบันหลือลั่นเป็นอันเดียวกันเพราะเสียงเทวดาสาธุการในวันฟังธรรมตอนพวกเทวดาไม่ให้สาธุการแก่เทศนาของภิกษุสองรูปบรรดาภิกษุสององค์นั้น พระเถระผู้ทรงพระไตปิดกองหนึ่งสวดธรรมองหนึ่งกล่าวธรรมเทวดาแม้องหนึ่งก็ไม่ได้ให้สาธุการภิกษุเหล่านั้นจึงพูดกันว่าท่านผู้มีอายุท่านกล่าวว่าในวันฟังธรรมพวกเทวดาในราวพรายนี้ย้ำให้สาธุการด้วยเสียงดังนี่ชื่ออะไรกันพระเอกุถนาะ ในวันอื่นๆเป็นอย่างนั้นขอรับแต่วันนี้กระผมไม่ทราบว่านี่เป็นเรื่องอะไรพวกภิกษุภูมีอายุถ้าอย่างนั้นท่านจงกล่าวทำดูก่อนท่านจับพัดวีชนีนั่งบนอาสนะแล้วกล่าวคาถานั้นนั่นแหลเทวดาทั้งหลายได้ให้สาธุ ก, การด้วยเสียงอันดังตอน พวกภิกษุติเตียนเทวดาครั้งนั้นภิกษุที่เป็นบริวารของพระเถระทั้งสองยกโทษว่าเทวดาในราภารนี้ให้สาธุการด้วยเห็นแก่หน้ากันเมื่อภิกษุผู้ทรงพระใจปิดกแม้กล่าวอยู่ประมาณเท่านี้ก็ไม่กล่าวแม้สักว่าความสรนเสริญอะไรอะไรเมื่อพระเถระแก่องค์เดียวกล่าวคถ า, านหนึ่งแล้ว พากันให้สาธุการด้วยเสียงอันดังภิกษุเหล่านั้นแม้ไปถึงวิหารแล้วกราบทูลความนั้นแด่พระศาสดาตอนลักษณะผู้ทรงธรรมและไม่ทรงธรรมพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่เรียกผู้เรียนมากหรือพูดมากว่าเป็นผู้ทรงธรรม ส่วนผู้ใดเรียนคาถาแม้คาถาเดียวแล้วแทงตลอดสัจจทั้งหลายผู้นี้ชื่อว่าเป็นผู้ทรงธรรมดังนี้แล้วตรัสพระกาถานี้ว่านาตาวตาธรรมทโรยาวตาบะหุภาสติโยจะอัปปังปิสุตตวานะธรรมมังกาเยนปะปัสติสะเวธรรมทโรโหติโยธรรมมังนับปะมัชติ บุคคลไม่ชื่อว่าทรงธรรมเพราะเหตุที่พูดมากส่วนบุคคลใดฝังแม้นิดหน่อยย่อมเห็นธรรมด้วยนามกายบุคคลใดไม่ประมาทธรรมบุคคลนั้น แ, แลเป็นผู้ทรงธรรมตอนแก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่ายาวตาเป็นต้นความว่า บุคคลไม่ชื่อว่าผู้ทรงธรรมเพราะเหตุที่พูดมากด้วยเหตุมีการเรียนและการทรงจำและบอกเป็นต้นแต่ชื่อว่าตามรักษาวงรักษาประเพณีบทว่าอับปังปิเป็นต้นความว่าส่วนผู้ใดฟังธรรมแม้มีประมาณน้อยอาศัยธรรมะอาศัยอัฏฐ เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมกําหนดรู้สัจจะมีทุกเป็นต้นชื่อว่าย่อมเห็นสัจธรรมสี่ด้วยนามกายผู้นั้นแลชื่อว่าเป็นผู้ทรงธรรมบาดประกาถาว่าโยธรรมมังนับปรมัชติความว่าแม้ผู้ใดเป็นผู้มีความเพียรปรารบแล้วหวังการแทงตลอดอยู่ว่า เราจากแทงตลอดในวันนี้วันนี้แลชื่อว่าย่อมไม่ประมาทธรรมแม้ผู้นี้ก็ชื่อว่าผู้ทรงธรรมเหมือนกันในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องพระเอกุธานเถระ